หปัจญานุลม 2. ส, สังขยาวานสุทธนัยดสปดเอตุปั จ, จัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติป จ, จัยมีห้าวาระอนันตรปัจัยมีเจดวาระสมานันตรปัจัยมีเจ็ดวาร ะ, ส, รจจาระสหชาตปัจัยมี9้าวาระอัญญมัญญป จ, จัยมีสามวาระ นิสัยปัจจัยมีสิบเอดวาระอุปนิสัยปัจจัยมี9้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระปัจฉาชาตปัจจัยมี9้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีแปดวาระวิปากปัจจัยมีหกวาระอาหารปัจจัยมีสิบสองวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระ ชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสิบวาระอธิปัจจัยมียีบสาวาระนาฏปัจจัยมีเจดวาระวิกตปัจจัยมีเจดวาระอวิคตปัจจัยมียีสสาวาระสภาขณัยอธิปฏิปัจจัย กเพรตุปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีหกวาระอินตรียะปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีเจดวาระ สัมปยุตตะปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับเหทุปัจใจมีสี่วาระอธิปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดฝาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนกุศลติกะตามแนวการสาธยายการนับในอุปาทินติกะซึ่งลึกซึ่ง ล ะ, ละเอียดกว่าวิธีนับกุศลติกะผู้รู้พึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจัยนียุทธทาน89สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน โดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมันประกอบเป็นตัญหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมันประกอบเป็นตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารามณปัจจัย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 สภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาหารปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก them, of of ่สภาวธรรมที um ่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน โดยอุปนิสัยปัจจัยและปัจฉาชาตาปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปัจฉาชาตาปัจจัย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 และเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานมีสามอย่างคือปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะ 2. ปัจยปัจญียะสสังขยาวานสุทธนัย9าสิเนาหตุปัจใจมียี่สิบสี่วาระนาอารามณปัจใจมียี่สิบสี่วาระนาทิปติปัจใจมียี่สิบสี่วาระ นอนันตรปัจจัยมียี่สิบสี่วาระนสมาันตรปัจจัยมียี่สิบสี่วาระนสหชาตปัจจัยมียี่สิบวาระนอัญญมัญญปัจจัยมียี่สิบวาระนนิสียปัจจัยมียี่สิบวาระนอุปนิสยปัจจัยมียี่สิบสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมียี่สิบสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมียี่สิบเจ็ดวาระ นอาเสวณปัจจัยมียี่สิบสีวาระนกรรมปัจจัยมียี่สิบสีวาระนวิปากปัจจัยมียี่สิบสีวาระนอาหารปัจจัยมียี่สิบวาระนอินทรียปัจจัยมียี่สิบสองวาระนาชานปัจจัยมียี่สิบสีวาระนมัคปัจจัยมียี่สิบสีวาระนสัมปยุตตปัจจัยมียี่สิบวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยมี14วาระโนอธิปัจจัยมี9วาระโนนัิปัจจัยมี24วาระโนวิกตปัตปจาา 92, รรป จ, ปจัยมี24วาระโนอวิกตปัจจัยมี9วาระทุกกนัย92อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี24วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายให้พิสดาร เหมือนการนับปัจจ尼ยะในกุสลติกะปัจจ尼ยะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุทุกกในเก้านอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอนันตระปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระ นสสันานตระปัจจัยกับเหตุทุปัจจัยมีเจดวาระนอัญญมัญญะปัจจัยกับเหตุทุปัจจัยมีสี่วาระนปอภิติยปัจจัยกับเหตุทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุทุปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุทุปัจจัยมีเจดวาระ นากรรมมปัจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากับปัจจัยกับเภทุปัจใจมีสี่วาระนอาหารปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอินทรียะปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอนปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนมัคคปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับเภทุปัจใจมีสี่วาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิกตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระเหตุขตนา94้นอารามณปัจจัยกับปัจจัยหคือเหตุสหชาตะนิสยาอัตถิและอวิกตะมีเจ็ดวาระนาทิปติปัจจัย กับปัจจัยห้านั้นมีเจดวาระน้านันตรัปัจจัยกับละมีเจดวาระละนอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีสี่วาระละนวิปากับปัจจัยกับละมีสี่วาระละนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสี่วาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ โนวิกตปัจจัยกับพระมีเจดวาระในมงเล็ยบยอ่อในมงเล็บพึงนับเหมือนอนุลมปัจญจิยะในกุศลติกะที่จําแนกไว้อนุโลมปัจญจิยะจบ 4. ปัจจิยปัจญจิยานุโลมในเหตุทุกขนเก้าสิ 95. อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหกวาระ อธิปฏิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีห้าวาระอนันตรัปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีเจดวาระสมานันตรัปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสมวาระนิสยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบอดวาระ อุปนิสติยปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมี7วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุทุปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมี๒วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุทุปัจจัยมี8วาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี๖วาระ อาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบสองวาระอินทริยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระชาณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสำประโยชน์ปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระวิประโยชน์ปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบวาระ อธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมียี่สิบสามวาระนาติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมียี่สิบสามวาระในมุงเล็บยอ่อในมุงเล็บพึงนับเหมือนปัจจานิยานุโลมกุศลติกะที่จำแนกไว้อุปาทินติกะจบ 5สังกิริทธติกะหนึ่งปฏิจจวาล 1. ปั่งปยานุโลมหนึ่งวิพังขาวาลเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กิเลสทําให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ติตตสัมปทาหนารูปอาศัยขันที่กิเลสทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้น สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเ AH ลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่กิเลสทำให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นและขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นละขันสองและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันสามและกะตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นละขันสองและกะตัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละ จิตตะสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 2. สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นละ ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภา <c oughs> att วธรรมที ani <anime> ่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส และที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง <S <S <S ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาบธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจัยแต่แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง <S <S และไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นละขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น สภาวธรรมที ies, iser, ่กิเลสไม่ทำให้สศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้ส้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้ส้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ติดตาสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้สศ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและมหาปูตารูปเกิดขึ้น สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้ามองได้เป็นอารมณ์ของกิเลสและมหาภูตารูปเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 1. ปัจจายานุโลม สสังขยาวาน 3. เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีเก้าวาระ อุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกามปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระละมัคคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตาปัจจัยมีสามวาระวิปปยุตตาปัจจัยมีเก้าวาระละ อวิกตปัจจัยมีก้าวาระในวงเล็ยเบย่อในวงเล็เบพึงจำแนกเหมือนกุศลติกะ 2. ปัจจยปัจจเนยะนาเหตุปัจจัย 4. ส, สภาวธรรมที่กิเลธทำให้เศร้ า, ม อ, ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลธทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้น เ, นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ถรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่ถอรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันที่ถอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถอรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะนะเหตุุปปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นน่ะเหตุกะ ซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอาเหตุตุกะและสำหรับปราวะสัญญาสัตรพรลมอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งในวงเล็บยอ่อในวงเล็บพึงจำแนกเหมือนในกุศลติกะสุดทนยัยห้านาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอารมามาณปัจจัยมีห้าวาระ นอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระนอนันตรปัจจัยมีห้าวาระละนอุปนิสตยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระ นาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระละนามรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตาปัจจัยมีสมวาระโนนติปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยมีหวาระในวงเล็บย่อ 3. ปัจจายานุโลมปัจญจิยเหตุทุกกันในหก นอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระละนัปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ นวิปลากะปัจัยกับเพรตุปัจจัยมี9้าวาระนสัมปยุตตะปัจัยกับเพรตุปัจจัยมีหวาระนาวิปยุตตะปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสมวาระโนนัตถิปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่อ 4. ปัจจยปัจจนียนุโลมนาเหตุทุกไนัย7 อารามณปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสองวาระละวิปากับปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละมรรคปัจจัชชยกับนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี22วาระในวงเล็บยอ่อปฏิจจวาลจบในวงเล็บ พึงขยายสหชาตาวานปัจจยวานนิสยาวานสังสัตตวานและสัมปยุตตวานให้พิสดารห้าสังกิริทธติกะเจ็ดปัญหาวานหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควานเหตุปัจจัยแปดสภาวธรรมที่เกเรตทำให้เศร้าหมอง และเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้ก่เหตุที่กิเลสทําให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุตุปัจสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามอง แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยแต่กิเหตุที่กิเลสทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัย ได้แก่เหตุที่กิเลสทําให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทฐานอรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมประยุติขันและกตัตตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่ก ja ิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัย9สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส โดยอารมณนปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินราคานั้นราคาจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธจจะจึงเกิดขึ้นโทมานต์จึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีทิฐิและเพราะปราลบวิจิกิจฉาและเพราะปราลบอุทธจจะและเพราะปราลบโทมานต์ละ ในมุงเล็บพึงจำแนกเหมือนในกุศลติกะสภาวธรรมที่กิเลธทาให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารามานะปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลส โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กิเลสทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสด้วยเจโตปริยญาณพระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งขันที่กิเลสทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อกุศลดับแล้วจิตตุบบาท ที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารม์บุคคลยินดีเพลิดเพลินที่กิเลสทําให้เศ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสละโทมนัตจึงเกิดขึ้นเมื่ออกุศลดับแล้วจิตตุ บ, บาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารม์ขันที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่เจโตป ร, ริยญาณ ปุเพนิวาสานุตสติยานยถากรรมูปัขยานอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารามนาปัจจัย 10. ส, สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารามนาปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล รักษาโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นพิจารณากุศลที่สั่งสมไม่ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานเห็นแจ้งจักสุดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะภะ หัตถยวถัตถุขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิปโซตธาตรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสด้วยเจโตปริยยานอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะ และอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารามณปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักุวิญญาณโดยอารามณปัจจัยและโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยาน ปุเพนิวาสานุสติยานยะถากรร ม, มูปขยานอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารามณะปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารามณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล รักษาโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นและโทมานต์จึงเกิดขึ้นยินดีกุศลที่เคยตั้งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วยินดีฌานละยินดีจกักษุยินดีเพลิดเพลินโธทัพะอทัยวัตถุขันธ์ที่กิเลส ไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุปเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นโทมนัตจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารามานัปปัจจัย ได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยอารมามานปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารมามานปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณ า, านิพพาน นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กิเลสไม่ทาให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ ปุเพนิวาสานุสติยานอนาคตังสยามและอาวัชนาจิตโดยอารมณาปัจจัย